เรื่องภิกษุใช้มือบีบองคชาตสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งใช้มือบีบองคชาติน้ําอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัต สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนจึงใช้มือบีบองค์ชาติน้ำอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทาน้าอสิจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้า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 มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตรสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุนลจใจวงเล็บเรื่องที่34